ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่องความลึกซึ้งของทางสายกลางโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2529ณพุทธสถานสันติอโศกเทปชุดนี้ระบบการอัดเสียงไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากในขณะแสดงธรรมมีฝนตกแต่ทางฝ่ายผู้จัดทมเห็นว่าเทพชุดนี้มีเนื้อหาสาระดีมากจึงได้จัดทมขึ้นขอเชิญท่านเลือกเก็บสาระได้นบัดนี้ค่ะเป็นพระโยคาวจรพึงสงวรตนอยู่มีสติปัฏฐานสี่ มีสมัปทานสี่มีอิทธิบาทสี่พึงทำตนสงวรตนตามฐานะที่ตนยังจะต้องสงวรมีความเพียรเคร่งครัดก็จะทำให้ตนเองนั้นชื่อว่า เป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความลำบากพอสมควรกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งส่วนผู้ที่ไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมไม่สังวรตนกระทาตามอำเภอใจที่ยังมีกิเลสเป็นพื้นจิต ก็จะทำตนตามสบายเป็นยถาสุขขังกุศลธรรมก็ย่อมไม่เกิดแต่อกุโสธรรมก็จะเจริญยิ่งผู้ยังไม่เข้าใจธรรมะของพระสมมาสัพพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าปฏิบัติธรรมนั้นมีหลักมัจฉมา ปฏิปทาคือปฏิบัติให้เป็นกลางปฏิบัติให้เข้าสู่จุดเป้าหมายใหญ่คือมัชฌิมาคิดเอาว่าไม่ตรงไปในทางทรมานตนแล้วก็เข้าใจผิดว่าการปฏิบัติทรมานตนคือทำให้ตน ตั้งตนลำบากจึงได้ทำตนตามสบายแล้วกหลงว่าการตั้งตนอยู่อย่างยะถาสุขขังคือตามสบายนั้นเป็นการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาแท้จริงแล้วนั่นคือผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเข้าครอง ทำตามสบายก็คือทำตามใจของกิเลสสนองกิเลสอยู่อย่างพอสบายสบายผู้ไม่ไดเรียนรู้ที่แท้จริงจึงหลงเข้าใจความหมายนี้ว่าเป็นการปฏิบัติอย่างมัชฌิมาหรือสุขขาปฏิปทา คำว่าสุขาปฏิปทาไม่ใช่ยะถาสุ ข, ขังยะถาสุ ข, ขังนั้นเป็นอกุศลส่วนสุขาปฏิปทานั้นเป็นกุศลที่มีความรู้อย่างลึกซึง้งว่าปฏิบัติตนอย่างเป็นสุขได้นั้นจะต้องจัดตนเองปฏิบัติที่มีทั้งสติปัฏฐานสี่ มีทั้งสมปทานสิมีทั้งอิทธิบาทสิหรือมีโพธิปักคียธรรมอันพอเหมาะพอดีและต้องสอดคล้องกับคำว่าทุกขายะอัตตาังปทหติคือตั้งตนอยู่ในความลำบากอุสลธรรมจะเจริญยิ่งดังนั้น ผู้เข้าใจเพี้ยนเข้าใจเผินจึงตีความรวมไปว่าผู้ปฏิบัติด้วยสัมมาอริยมรรคองแปดคือผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างยะถาสุขขังและหลงว่าเป็นสุขาปฏิปทาเขาจึงเจริญด้วยอกุศลอยู่ตลอดกาลส่วนผู้ที่ปฏิบัติตน อย่างศึกษาถูกต้องจะเข้าใจถึงคำว่าสัมมาปฏิบัติหรือมัชฌิมาปฏิปทานนั้นเป็นผลไม่ใช่เหตุต้องปฏิบัติจัดแจงตนเองจนลงตัวเป็นกลางได้คือเกิดอุเบกขาฐานเป็นสภาพที่จัดได้พอเหมาะพอดี จึงเรียกว่าสัมมาปฏิปทาไม่เพี้ยนไม่โตรงไม่ผิดไม่เป็นไปเพราะกิเลสยังเป็นอำนาจกิเลสยังเป็นเจ้าเรือนยิ่งเหลือน้อยเท่าใดยิ่งมัชฌิ ม, มาเท่านั้นกิเลสหมดสุดนั่นเองจึงจะชื่อว่ามัชฌิ ม, มาสมบูรณ์เรียกว่าเป็นกลางแล้วไม่อยู่ใต้อำนาจกิเลสผล หรือดูดดังนั้นผู้เข้าใจโดยเดาโดยเคเนตึ้นตื้นเผินเผินจึงเข้าใจทฤษฎีเอกของพระสมมาสัพพุทธเจ้าผิดแล้วปล่อยตัวปล่อยตนปฏิบัติอย่างมักง่ายเป็นยะถาสุขขังกันอยู่มากกว่ามากผลของการปฏิบัติธรรม จึงไม่มีแต่กลับเจริญด้วยอกุศลทั้งปวงธรรมะจึงเพียนาศาสนาจึงตกต่ำขอให้สาธุชนทั้งหลายจงศึกษาจงดีพิจารณาจงดีและปฏิบัติอย่างตั้งตนสงวนตน เป็นสัมมาปนิธิกันทุก ท, นนทุกคนเถินอยในปฐมมปนาตทุกนิบาตอังกุตรนิกายข้อสองนะซึ่งพระเิรดกฉบับที่ยี่สิบและพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ดูกระพิกษุ์ทั้งหลายในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดได้ยากสองอย่างสองอย่างเป็นชไหนคือความเพียรเพื่อทำให้เกิดจีวรบินทบาตเซนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริคาร ของครหัดผู้อยู่ครองเรือนหนึ่งความเพียรเพื่อสละคืนอุปฏิทั้งปวงของผู้ที่ออกบวชเป็นบรรพชิตหนึ่งดูกระพิสูจ์ทั้งหลายในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดได้ยากสองอย่างนี้แหละดูกระพิสูจน์ทั้งหลาย บรรดาความเพียรสองอยา่างนี้ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นเลิศดูกระพิสุทธ์ทั้งหลาย <annoyed> เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเริ่มตั้งความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวงดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ เราจะเห็นได้ว่าคำตรัสของพูุทธเจ้านี้เราฟังแล้วต้องเข้าใจเป็นสำนวนหรือเป็นความหมายที่ชัดไม่เช่นนั้นเราตีลังกาแน่ที่ว่าตีลังกาคืออะไรความเพียรชนิดที่หนึ่งท่านบอกว่าความเพียรเพื่อทำให้เกิดจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารของคฤหัสผู้อยู่ครองเรือน หถ้าเราเข้าใจพาซื้อเถนตรงก็บอกเออดีคารุหัสที่ต้องไปพยายามภาคเพียรเพื่อหาจีวร mm hmm. ก็ตายพอดีคารุหัตจะไปภาคเพียรไปหาจีวรมาทําไมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่เยอะในพระไตรปิดกซึ่งท่านตรัสเป็นสํานวนแล้วก็ใช้คําโมหานพวกนี้อันนี้จับได้ชัดเลยว่า ภาษาในพระตรปิดกเนี่ยเป็นภาษาที่จะต้องไตรตรองลึกซึ้งให้รู้ความหมายเป็นจำนวนแทนอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าการอยู่ป่าเป็นวัดแล้วอยู่ป่าเราเห็นยินดีในป่าเสนาสนะป่าอะไรนี้เป็นจำนวนไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งอยู่ในป่านะเป็นจำนวนเสร็จแล้วเราก็เข้าใจกันว่าจะต้องออกป่าอ้าวน่นเธอป่าเขาทำที่แจ้งลอมฟังอย่างนี้เป็นต้น ก็บอกแล้วามันขัดกันนะลอมฟังนะมันไม่ได้อยู่ในป่าน ะ, อะลอมฟังไม่ได้อยู่ในป่าท่านหมายถึงที่ที่ต้องเข้าใจความหมายว่าเป็นที่ที่เอาละอาจจ ะ, ะเป็นที่ไม่ไม่ครุกครีไม่โจงแจ้งเกินไปไม่วุ่นวายเกินไปเขาเป็นที่ที่ห่างๆผู้คนที่จุนจ้านหน่อยเท่านั้นก็เป็นความหมายแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่เข้าใจบอกว่า นปนป่านนขาวนนธรรมนนที่แจงนนลอมฟางแล้วก็ล่อเละเลยวิ่งเข้าหาปา่าแล้วเข้าป่าลึกซะด้วยยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งหลงใหญ่เลยยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งบอกว่านั่นเรพระทุนดวงชั้นหนึ่งต้องไปสู้กระเสือสิงกระทิ้งแรดเอาวีรกรรมในทางที่ปราบเสือปราบสิงปราบกระทิ้งได้อยู่ในปา่านนออกมาคุยโม้ได้ว่าเป็นพระทุนดวงชั้นหนึ่งอะไรงี้เป็นต้นนี่นี่คือความเลยเถิดที่มันเอียงเทไปหาโบราณโบราณเป็นความคิดเก่าๆ ต, ต, ตื้นๆนะวะ การไม่คลุกคลีแล้วก็แปล ก, กันต้นๆนั่นไม่คลุกคลีก็คือไม่วุ่นวายกับใครซึ่งโดยความหมายแล้วไม่ใช่แม้แต่การหลีกเล่นก็เคยเอาสูตรสูตรหลีกเล่นโดยตรงมาอ่านสู่ฟังหรือว่าคลายหลีกเล่นโดยความหมายนะั่นคือหลีกออกจากกิเลสจิตหลีกเล่นออกจากกิเลสไม่ได้หมายความว่าต้องหลีกเล่นคือเอาตัวออกไปท่านก็ยืนยันตรัสชัดเลยทึ้งเอาสูตรนั้นมาอ่านสู่ฟังแล้วผู้หลีกเล่นได้แล้วคือผู้ที่ จิตนั้นปราศจากกิเลสอย่างท้งใจไม่ได้หมายความว่าหลีกเล่นคือจะต้องหนีหลบเข้าไปไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ผู้คนเห็นแต่ควาว่าหลีกเล่นคํานั้นใช้เป็นภาษาคนภาษาธรรมดาว่าออกลีห่างจากผู้คนก็มีความหมายนั้นได้เหมือนกันไม่ได้ว่า ไ, ไม่ได้หมายความว่ามีความหมายนั้นไม่ได้แต่ต้องเข้าใจเป็นภาษาธรรมอย่างที่ท่านพุทธทาท่านกล่าวเนี่ยภาษาคนภาษาธรรม ต้องเข้าใจโดยเฉพาะภาษาพุทธภาษาที่เป็นพุทธความหมายของพุทธศ า, าสนานั้นหมายถึงความถึงขนาดไหนเพราะฉะคําว่าออกป่าหรือคําสู่ป่าแล้วก็ดีของพุทธนั้นหมายถึงความสู่ป่าขนาดไหนไม่เช่นนั้นมันจะขานแยงกันกับที่ผู้ขอออกป่าอย่างที่ได้เอาอุบาลีสูตรมายืนยันนั่นอย่างพระอุบาลีขอออกป่าเสร็จแล้วพระเจ้าก็ต้านทันทีทั้งๆที่พระอุบาลีไม่ใช่พระบวชใหม่ นะไม่จะพระบวชใหม่ที่ขอออกป่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเมื่อเข้าใจผิดแล้วออกป่าก็ป่าอย่างความหมายซึ่งไม่เข้าท่ามันก็ไม่ถูกต้องนะนี่เป็นความลึกซึ้งเพราะงั้นในนี้นี่เราเห็นชัดเจนเลยว่าพระพุทธเจ้าทาตรัสว่าความเพียรในโลกนี้มีความเพียรสองอย่างที่เป็นความเพียรที่เกิดได้ยากความเพียรอันหนึ่งก็ความเพียร เ, เพื่อทำให้เกิดจีวรบินทบาทเสน า, สนาสนะและกิฬา น, นปัจจัยเภสาเภสัชบริการ ของคฤหอขัดผู้อยู่ครองเรือนนี่นหนึ่งเพราะฉะนั้นความหมายอันนี้ต้องเข้าใจว่าคนเรานี่ก็อยู่ด้วยปัจจัยซีต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าซื้อพาซื้อเลยไม่เครือขัดก็จะต้องพยายามเพียรหาจีวรหาบินทบาต้ทเพราะคฤหอขัดบินทบาตก็เจ๊งสินะก็เลิกกันพอดีนะไม่ใช่เครือขัดบินทบาตไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องแสวงหาจีวรไม่แต่เป็นความเพียรเพื่อหาจีวร คือหาปัจจัย4ี่นะการที่จะแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนนั้นเป็นความลําบากป่วยการกล่าวไปใ ย, ยกับคนหลงที่ไม่ใช่เพียงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนแต่สแสวงหาบริขารที่เกินบริขารองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบเฟ้อเกินความจําเป็นอันแท้จริงเสื้อตมาเขาเคยจํากัดความกิเลสในฝังว่ากิเลสคือสิ่งที่ เกินความคือสิ่งที่ฟุง้งฮะสิ่งที่ฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟือยเกินความจําเป็นอันแท้จริงซึ้งเคยนิยามเคยจํากัดความไห้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเอาความหมายง่งายๆก่อนกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นอันใดที่เราพิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟือยเกินความจําเป็นอันแท้จริงนั้นถือว่าเป็นกิเลสตัดทิง้งหัดเลิกหัดหยุดหัดลดลงมาให้ได้ คนที่มีภูมิปัญญาละเอียดละออนขึ้นมาก็จะตัดลดขึ้นมาเรื่อยๆพอเราอยู่ไปเราจะเห็นว่าเออยนี้ยังมากไปยังเกินไปลดลงได้อีกลดลงได้อีกมีลักษณะมักน้อยสันโดษลงมาเรื่อยๆมีน้อยลงให้ลองล ง, ลงน้อยลงไปอีกน้อยลงขนาดนี้เราได้ได้แล้วจนกระทั่งลงตัวเป็นมัชฌิมาลงตัวเป็นกลางอันนี้อาตมาอยากจะแนะนําว่าการปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติเพียรที่จะสร้างปัจจัยสีอาศัยนั้นต้องสร้างแม้แต่เป็นพระก็ต้องมีความเพียรที่จะต้องแสวงหาจีวรบินธบาศนาเซนาสนักีฬานเพศกีฬานัปัจจัยเพศสัตว์บริขาร ค, คําว่ากีฬานเพสัตวปัจจัยกีฬาณนะ ป, ปัจจัยไหมกีฬานเพสัตปัจจัยกีฬาณปัจจัยกีฬานปัจจัยเพศสัตว์บริขาร ผู้ที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นลวงท้ายคำว่าบริขารคือสิ่งที่จะต้องอาศัยองค์ประกอบของความเป็นอยู่ก็จะต้องอาศัยเท่าที่สมณนะเท่าที่เป็นผู้เป็นนักบวชอันพึงเพียรพึงกระทําให้แก่ตนอย่างทั้งปฏิบัติให้สมฐานะให้สมสภาพเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ที่มีภูมิธรรม ที่จะสแสวงหาอย่างดีนะแสวงหาอย่างสมบูรณ์หรือสแสวงหาอย่างมีทิศทางมีบทปฏิบัติเพราะผู้เจริญที่จะเป็นแม่ขรุขรหก็ต้องปฏิบัติธรรมแสวงหาอย่าไปที่ไหนทาโกงอย่าไปทําที่มันเป็นสิ่งที่เป็นทุจริตอกุศลเอาเปรียบเอารัดโดยโลภเป็นเจ้าเรือนโดยโกรธอาฆาตม้าร้ายแก้แค้น เป็นเจ้าเรือนเราลดลงได้ไปก็เป็นเครหัส่าที่มีคุณธรรมเพราะอาจจะต้องมีมากกว่าในฐานะครือข่าอาจจะมีจีวรเราก็ไม่เรียกจีวรละเราก็จะเรียกว่าเครื่องนุ่งหฮมบิณฑบาตเราก็ไม่เรียกบิณฑบาตก็ได้เมื่อเราเข้าใจแล้วแต่ว่าแม้เป็นเครือข่าก็เอาเนี่ยมีเครือหาเครื่องหนึงห่งโฮมแสวงหาเครื่องนุง่งโฮมแสวงหาอาหารสแสวงหาที่อยู่สแสวงหา ยารักษาโรคและองค์ประกอบของชีวิตที่อาศัยสร้างสรรค์มีชีวิตอยู่ในโลกก็จะต้องเป็นคนทําอย่างที่พวกเราทำานี่เป็นครือข่านอกนอกห่างออกไปหรือในในนี่ก็เป็นเครือข่ายอยู่ทั้งเยอะทั้งแยะแต่เราก็มีทิศทางปฏิบัติเรา ก, ก็ทั้งนอกนอก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาปฏิบัติไปปฏิบัติม า, ม า, ากลายเข้าเลื่อนเข้ามาหานในเข้ามาวัดเข้ามาวัดเรื่อยเลื่อนเข้าหาวัดเรื่อยๆนี่ที่เรามีอยู่นี่เป็นบทปฏิบัติแม่ครือข่ายเนี่ยก็ปฏิบัติ ที่ท่านยืนยันว่ามันเป็นความเพียรซึ่งเกิดได้ยากนะความเพียรที่เกิดได้ยากนี่คือเพียรให้มันเจริญด้วยธรรมเป็นเจริญด้วยกุศลเจริญได้วยธรรมด้วยกุศลพร้อมกันนั้นความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวงของผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตก็ตามถ้าจะใช้จำนวนอย่างนี้ก็ตามเราต้องเข้าใจว่าออกบวช หรือปวชั้นเป็นการเว้นขาดเว้นออกคารุหัดก็ทําด้วยเพราะฉะนั้นสํานวนว่าความเพียรเพื่อสละคืออุปธิทั้งปวงนั้นเป็นหลักเราคืนอุปธิคือกิเลสความเพียรเพื่อที่จะละกิเลสคารุหัดก็ละพระก็ละจะเรียกว่านักบวชคารุหัดก็เป็นนักบวชโดยความลึกซึ้งปวชัะเป็นผู้เว้นขาดเว้นออกซึ่งอุปธิเรื่อยเรื่อยเืืยเหมือนกันก็นกนข้อหนึ่งจะบอกว่าย้าว่าคารุหัด สแสวงหาจีวรมันก็เป็นภาษาจำนวนเท่านั้นคารแยกนี่ก็เป็นภาษาจำนวนในข้อหลังนี้ก็เป็นจำนวนเราต้องรู้เป้าเป้าอันแรกคือสิ่งที่เป็นเครื่องอาศัยแม้ปัจจัย4ีและบริขารอันหลังนี้หมายถึงอุปธิคือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นคนเราต้องปฏิบัติทั้งสองด้านจะต้องสแสวงหาเครื่องอาศัยที่เป็นปัจจัย4และบริขารเราต้องสแสวงหาทางการละกิเลส สแสวงหาพรหมจรรย์ในลุลละคืออุปัตติกิเลสเพราะความเพียรให้ทั้งสองอย่างนี้สอดคล้องลงตัวนี่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยครวะพวกเรานี่เป็นครวะที่เดินเดินทฤษฎีตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าสแสวงหาบริขารแสวงหาปัจจัยสีบริขารเครื่องอาศัยเราก็สแสวงหาอย่างเรานี่ทำอยู่แล้วก็มี บางคนก็มีได้มากกว่าสะสมมากกว่าแน่นอนและเราก็รู้ว่าการสะสมมากอยู่ยังไม่ใช่ผู้เจริญผู้เจริญต้องลดลงลดลงมั่นใจในการไม่สะสมอปัจยะมั่นใจในการมักน้อยสนโน ด, ดลงมาอย่างที่มีอย่างที่เห็นนี่พวกเราเนี่หลายคนตอนแรกๆก็ลงสะสมทรัพย์สมบัติมุ่งหาสแสวงหาสิ่งเหล่านี้เป็นความเพียรเพียรโดยไม่สอดคล้องด้วยขบวนการละอุปธิด้วยไม่สอดคล้อง มันก็เลยเปลี่ยนไเป็นแบบโลกโลกโลกีกับโลมาอวดอ้างกันตามโลกียะเนี่ยได้ลาบมา ก, ก็สะสมกอบโกยแล้วก็ไปอวดไปอ้างว่าขามีมากขามีใหญ่ขขามองมาว่าเออมีมากๆก็เอามาทําอย่างนี้สิเอามาปรุงมาแต่งเอามาอะไรอะไรเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสให้เฟอๆเลอะๆเถอะๆอะไรแล้วก็ไปสมมุติกันโปรกำกันด่า ก, กันประกาศยืนหยัดยืนยัน ชี้ชวนกันว่าอย่างงี้แหละเป็นความพิเศษอย่างนี้แหละเป็นความสูงเป็นความเจริญเป็นความได้หน้าได้ตาเป็นความอร่อยเป็นความเพลิดเพลิน อ, อะไรก็ตามใจเขาก็ทําแข่งกันไปอวดอ้างกันไปพผานพลากันไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเลอะเทอะขนาดไหนหลงไปในสังขารหลงไปในการปรุงแต่งไม่รู้แล้วก็ไปทํากันกลายเป็นโลกียะบานปลาย เมื่อแทนที่เราจะเดินไปตามโลกเขาบานปลายไปอย่างนั้นเราก็มารู้ทิศทางแล้วก็ลดละดับ ล, ะละายคลายลงมาเนี่ยอย่างที่พวกเราเริ่มตั้งตนตั้งแต่เริ่มปฏิบัติที่เทตมาว่าอาตมาพยายามประกาศธรรมะของพระเจ้าว่ามีทิศทางแนวโน้มไปอย่างไรแล้วก็ลดละ ล, ะ ล, ะ ล, ะลงมาได้รูปรดกินเสียงสัมผัสโลกธรรมนะรูปรดกินเสียงสัมผัสลดลงมาจริงๆจะมาเป็นอย่างเงี้ยจืดจืด ลาบยอเสรนเสิญก็ไม่ได้ไปเทนนวงเหนียวห่วงหาห่วงแหนเลาะกอบโกยไปแย่งไปชิงไปเอาเปรบเอารัดอะไรเข้าลงมาอย่างนี้อย่างที่เห็นเห็นเนี่ยอตมาบรรยายธรรมทุกวันนี้เนี่ยมันบรรยายได้ง่ายยิ่งบรรยายต่อหน้าพวกคุณยิ่งง่ายพอไปบรรยายต่อหน้าคนอื่นก็หาว่าเอาไปอวดไปอ้างไปข่มคนอื่นเขาอวดตัวอวดตนอวดพักอวดพวกอวดหมูอ่าตัวเองทําได้ดีอ้าวก็ดีมันหน้าอวดนะมันทําไม่ได้กันมนนานานแล้ว มันเชื่อว่าทำอาวุธเจ้าปฏิบัติไม่ได้โอ้ไม่มีล็อกพระอริยะจะปฏิบัติโซดาส ก, กิทาอะไรไม่ได้แล้วสมัยนี้ก็เขาจำนวนแล้วเขาแพ้พ่ายไปแล้วเขาสยบแล้วเขาเห็นว่าเขาปฏิบัติทำไม่ได้แล้วแต่เรายืนยันว่าปฏิบัติได้อากาลิโกแล้วเราก็บอกว่าเอหิปัสสิโกนิท้าทายมาพิสูจน์ได้ปฏิบัติได้นะท้าทายให้มาพิสูจน์ยืนยันแล้วก็อธิบายความว่าอันนี้ไม่ใช่เราอวดอ้างแต่เรา สแสดงทำแบบเอเฮปัสติโกยืนยันว่าเชิญเรียกร้องให้มาดูให้มาพิสูจน์ก็ไม่ค่อยเข้ามาได้แต่มันไส่อยู่ข้างนอกนะ่ะไกลๆนะ่ะพอเห็นอยู่ข้างนอกเดินไปก็มองเหยียดๆจยามพอให้เข้ามาดูสิแกนๆ ม, ม, ม, มูมูเขามีนะเนี่ยเขาละเขาลดได้เป็นคนมักน้อยได้สันโดนได้ไม่หลงลาบยศสันเส ร, ริญอะไรได้จริงๆลูบลดกิเสียงสัมผัสเขา ก, ก็ลดได้จริงๆเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เข้าใจ หาว่าพวกเราเคร่งหาว่าพวกเราเนี่ยมัดเคร่งเกินไปลําบากเกินไปทรมานตนนั่นตีความไปโน่นทรมานตนทั้งั้งที่อาตมาถามคุณหน่อยเท่าเนี้พออยู่หลายๆคนอยู่วัดนานๆนี่แก่วัดเขาเรียกภาษาว่าแก่วัดมันเป็นยังไงมันตั้งตนอยู่ในความลําบากเลยอาตมาว่าพวกแก่วัดแก่วัดนี่แหละจะเคลิตัวกลายเป็นยาถาสุขขังใช่ไหมรู้ตัวไหมรู้ไหม พออยู่วัดแก่วัดไปแล้วยะถาสุขขังเอออยู่อย่างนี้มันก็สบายดีมันแค่นี้ก็ดีแล้วนี่ติดแป้นไปเลยเป็นกายเป็นติดแป้นกลายเป็นวางตัวเป็นยะถาสุขขังวิหารโตโคเมวิหารโตยะถาสุขขังโคเมวิหารโตคือวาตองตน อ, อยู่ตามยถาสุขขังยะถาคือไปตามมีตามได้นะ่ะสุขขังตามมีตามได้ไอ้สุขขังไม่มีพระพุทธเจ้าไม่นนตรัสรูขข้สุขขังพระพุทธาตรัสรู้ทุกทุกอริยสัจต้องตั้งตนอยู่ในทุกนะ ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปต้องทุกขายาอัตตาังปัตตังอัติแม้เป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วยังตั้งอยู่บนทุกข์เลยแต่ท่านเองสลัดคืนได้ท่านรู้แล้วว่าเออท่านทําความตกลงในธรรมทั้งหลายได้แล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวเขามาด่าถ้าเรายึดมั่นถือมันกับคาด่าเดี๋ยวเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเรายังมีขันนี่จะต้องทุกข์เรามีงานนี่ยังต้องทุกข์เป็นอาหารริับปรยกา็ังต้องขขนวายแสวงหา งานการของอริยะทำโย้าแหวนหาอาหารแสวงหากีวรบินตาบัทเนี่ยต้องไปเดินบินตาบาททุกเช้าแมฝนตกวันนี้เออเอาฝนตกไม่ทุกไม่ทุกไม่ทุกแล้วก็ทําไม่ทุกไม่ทุกฝนเปียกแช่เย็นบางทีหนาวไม่ทุกไม่ทุกหนาวไม่ทุกบางคนก็หนาวจริงฝนเปียกแช่ไปบินตาบาทจริงฝนตกช้ำๆตาบางทีนี่เขียวเลยนะนี่ไม่ใช่ขาวธรรมดา เนื้อเขียวจะมันเย็นมันทุกมันทุกมันก็ทุกเลยแหละมันก็รู้ว่าทุกแต่ว่าเราทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเพราะได้ฝึกเพียรมีกำลังเจโตพอสมควรแล้วเราก็ไม่ยึดมันม่นถือมั่นอะไรเกินการเราก็เข้าใจด้วยเป็นธรรมอันตกลงแล้วตกลงในธรรมทั้งหลายแล้วแล้วก็ยึดมั่นในจุดที่เราอาศัยวางใจอย่างไรเราสบายวางใจอย่างไรเราเป็นเป็นการพ้นทุกข์ ไม่เรียกว่าสุขหรือเป็นบูปสมโมสุขสงบไม่เดือดร้อนอะไรก็เอาปัญญาเป็นตัวตัดอนุสัยปัญญาเป็นตัวที่ไม่มีทุกข์เพราะปัญญาเป็นตัวตัดอนุสัยเป็นตัวจะทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่ทุกข์มันมีฐานรองรับอยู่อย่างนั้นนี่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งไม่ใช่ตื้นเขิน ง, ง่ายๆนะเพราะแม้เราเองเรามาปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยเราก็เพียรเพียร เ, เพื่อยิ่งเข้าใจชัดๆว่าเพียรเพื่อที่จะสแสวงหา สิ่งอาศัยที่เป็นปัจจัยสีและบริขารนี่จะเป็นคฤหัสน์ก็ตามแม้จะไม่เป็นพระก็ยังมาต้องอาศัยจีวรแท้ๆบิณฑบาตแท้ๆจีวร อ, อาจจะเมื่อมันยังใช้ได้อยู่ก็เราไม่สแสวงหาอะไรมากนักไม่ต้องขึ้นขนาดอย่างสมัยโบราณต้องสแสวงหาผ่ า, ผ า, ผาบางสุกุลมาทํามาเจ็บมาต่อเอาไว้เพราะมันยังไม่มีเสื้อผ้าอะไรอย่างที่เคยเล่าเคยบอกผ้าผ่อนมันยังไม่มีอุตสาหกรรมที่ดี แต่เราทุกวันนี้เนี่ยไม่ก็อยากเลยเรื่องพาเรื่องผ่อนเนี่ยจะบิณทบาทก็ต้องบินทบาทกินบ้างซึ่งเป็นกิจวัตรสําคัญแต่แท้จริงแม้จะไม่บินทบาทเลยก็ได้พวกเราก็เรียงกันได้เหมือนพระมหายานนี่ไม่ต้องบินทบาทเลยสะสมเข้าของด้วยเอาไปไ ป, ไปเพียนศีลไปเพียนวินัยของพระพุทธเจ้าซะอีกไม่บินทบาทเลยหรือจริงๆด้วยนะ อาตมาว่าพระอสุกเนี่ยไม่ต้องบินทบาทให้คารวะรับผิดชอบไปเลยตั้งโรงครัวมีมู ล, ลนิธิเหมือนอย่างวัดบางวัดไม่ใช่มหายาหรือเทรวาสนี่แหละตั้งโรงครัวจ้างคนช่วยหรือไม่จ้างคนใดเต็มใจจะมาทําให้ฟรีเราก็เทศไปสิมาทําอาหารถวายพระกินมาเป็นคนครัวแล้วก็ทําอาหารถวายพระได้บุญมากๆนะโยมนะโยมก็เชื่อก็มาทําบุญดีก็มาเป็นคนครัวฟรี ก็พูดได้นี่แต่เขาศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ปลูกเราเข้าไปเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาก็มาเป็นคนครัวทํากับข้าวอยู่โรงครัวทําให้ฟรีพระก็ไม่ออกออกบิณฑบาตเหมือนวัดวัดบางวัดถึงเราก็รู้อยู่ร่ารวยมหาศาลมีเงินมีทองซื้อข้าวซื้อของมากินกันแล้วก็มีคนทํากับข้าวข้าวขับน้ํามาเลี้ยงดูทั้งวัดเลยอว่ดแต่พระคารวะที่อยู่ในวัดก็เลี้ยงได้ว่าไม่ต้องออกบิณฑบาตเลยก็ทําได้ แต่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่จะมาสแสวงหาบิณฑบาตอย่างเข้าใจด้วยปัญญาตําเป็นการทําความตกลงนี่มันจึงมีซ้ำมีซ้อนมีลึกซึ้งอยู่อย่างนี้เราต้องทําขนขวาให้ตลอดชีวิตเถิดอุตสาหะวิริยะเลี้ยงตนได้ปรีแข่งได้มามันเป็นการพิสูจน์และมันเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับมนุษยชาติหรือถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นคนมีภูมิธรมีจิตใจเราก็จริงๆเลยที่อาตมาพยายามอธิบายให้ลึกซึ้งเห็นว่าแม่พระ สารีบุตรก็ระลึกถึงบุญคุณคนขนาดพรามราธนะนราธะพรามจะบวชเคยใส่บาตรให้พระพุทธเจ้ากินทัพีเดียวเราต้องตอบแทนบุญคุณนี้ต้องทดแทนนี่เป็นลักษณะของมนุษย์เป็นกุศลธรรมถ้ามนุษย์ไม่มีกุศลธรรมอย่างนี้แล้วไม่พยายามที่จะกระทำกุศลธรรมอย่างนี้อย่างดีมันไม่มีตัวอย่างดีที่จะเอามาพูดกันนะหรือเอามายืนหยัดยืนยันเพื่อ ให้คนปฏิบัติตามกันได้รักษากุศลนี้ทรงไว้ซึ่งกุศลนี้าอาศัยกุศลนี้ยังอยู่ตลอดนานับกับการนิรันด์ถ้ามนุษยชาติไม่มีกรรมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันเป็นกุศลเป็นตัวอย่างเป็นหลักหลักที่ต้องถือมัน่นต้องถือมั่นว่าเป็นกุศลและสอนกันบอกกล่าวกันแนะนํากันให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ถึงพร้อมไม่ถึงพร้อ ม, อ, ม, อ, มอย่าให้ย่อหย่อนมันก็ไม่เที่ยง กุศลก็ไปเที่ยงเพราะงั้นยันขึ้นไปสงวนระวังสร้างทําให้มั่นคงขึ้นไว้ให้ถือมั่นได้ทุกคนต้องมีดีเท่าใดต้องยืนยันยืนหยัดดีให้มัน่นคงไม่เช่นนั้นโลกไม่มีตัวอย่างโลกไม่มีฐานอาศัยไม่มีสิ่งที่จะเอามายืนยืนยันได้ไม่มีตัวอย่างที่ยืนยันได้เราะเราต้องมีตัวอย่างที่ยืนยันได้ และก็เป็นสุขจริงเรื่อเป็นความเจริญจริงนะเป็นความเป็นอยู่สุขของมวลมนุษยชาติส่วนสุขโดยปรัมมัทธธรรมนั้นของใครก็ของใครทําได้ถึงสูงสุดก็ว่ากันไปนะนะความเพียรที่ละกิเลส ด, ด้วยละอุปธิทั้งหลายแล้วก็ทํางานที่สร้างสรรค์งานเพื่อที่จะมีปัจจัยสีและบริการนี่เราทำกันในสอดคล้องทั้งสองอย่าง ทีี้พูที่จะตั้งตนอยู่ในความลําบากก็ต้องตั้งตนอยู่แม้ที่สุดทุกวันนี้ถ้าดูโดยทำเนี่ยตั้งตนอยู่ในความลําบากกันนะพวกเราเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเมื่อย ม, น, ม, อยมนทําทําไมเนี่ยดูที่เนี่ยทำฟรีด้วยไม่มันคขานแย่งกับโลกเขาถูกหลอกใช้มาทําทําไมเพื่ออะไร เพื่อสิ่งยืนยันนะซีว่าคนทํางานฟรีได้โดยไม่ต้องอยากได้อะไรนี่เป็นรูปง่ายๆอย่ายตายไปถ้าจะบอกว่าถูกหลอกไม่ใช้ฟรีอ่ะก็ถูกแล้วจะว่าถอดถูกหลอกก็คุณฉลาดหรือโง่ล่ะถ้าคุณโง่คุาก็ถูกหลอกแต่ ถ, ถ้าคุณฉลาดบอกไม่ถูกหลอกหรอกเราก็พอใจจะทําแล้วก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคนจะสบายเป็นสุขาปฏิปทาเรียกว่าสุขาปฏิปทาส่วนจะขีปนาหรือทันทา น, นั่นน่ะขีปนาแปลว่าเร็ว ทันทาแปลว่าชา้าส่วนจะสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาหรือกิปปาพิญยาจะปฏิบัติเข้าสู่หลักสุขขาปฏิปทาส่วนจะช้าจะนานหรือจะได้เร็วนั้นมันอยู่ที่บุคคลมีบารมีมากมีความเฉลียวฉลาดมากมีความเพียรมากก็เร็วมีบารมีน้อ ย, ยงงแถมขี้เกียจซะอีกและความเพียรก็น้อยซะอีกอ้าวก็ช้าที่พอ <Eso S 1> มันจะไปได้เรื่องอะไรล่ะ บารมีก็น้อยกิเลกก็เยอนะเนอะและแถมความเพียรก็น้อยนะแล้วมันจะไปได้อะไรมันก็ช้าแต่คนเราฉลาดว่าทําอย่างไรเราจะได้ช้าหรือได้เร็วค น, คนทุกคนก็อยากได้เร็วแต่ถ้าบอกว่าเราเองเรามีบา ร, รมีน้อยเราก็เพียรให้มากๆนะฉลาด แต่จะเลียงฉลาดด้วยก็พยายามฉลาดแล้วคนเราบางทีมันก็ฉลาดท้อตัวเองมันมีบา ร, รมีเท่าไหรมันความฉลาดของคนขอใครก็บังคับกันไม่ได้ก็สั่งสมเอาแล้วกันนะมันก็ได้เท่าที่ตัวเองสามารถเท่าตัวเองมีเหตุมีปัจจัยมีบา ร, รมีที่แท้จริงแล้วก็ทำทำโดยหลักที่ทําได้มากก็คือความเพียรตัวความเพียรเนี่ยทุกคนเข้าใจให้ได้แบบความเพียร น, นี่เป็นตัวเอกเลย ทุกคนนี่จะเป็นคนมีบา ร, รมีน้อยฉลาดมาน้อยนะโอ้เราสั่งสมความฉลาดมามันก็เท่านี้เท่านี้นะอ่าเขาไปวัดเอาก็ได้วัดไอว่ามันได้เท่านี้จริงๆนะมันเกิดมามันก็มีเท่านี้จะไปเอาอะไรมาเติมเอาอะไรอะไรมาให้ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรความฉลาดไม่มีอ่ามันได้เท่านี้เออก็เท่านี้ก็เท่านี้อ่าเท่านี้ก็เท่านี้แล้วเราก็เพียรต่อไปเพื่อที่จะให้ฉลาดยิ่งขึ้น เราจะได้เสริมบารมีเราขึ้นไปขึ้นไปเองมันจะเร็วจะช้ามันอยู่ที่ตัวเพียร น, นี่เป็นตัวหลักใหญ่มากที่สุดเลยทีนี้ปฏิบัติอย่างไรเราจะได้ล่ะมันจะบารมีน้อยมันจะฉลาดน้อยส่วนความเพียรนี่ของใครของอันบอกแล้วแต่เราปฏิบัติให้เป็นสุขาปฏิปทาให้ได้ให้ได้ไดสุขขาปฏิปทาก็คือเราปฏิบัติอย่างไรที่เราจะทําให้มันเหมาะสมที่สุดจึงเรียกว่าสัมมา เพรา ะ, ะนั้นทึงบอกว่าชอบตามชอบตามควรเหมาะอย่างในมหาจตารีสกสูตรนี่แปลสมมาว่าเหมาะเลยก็ถูกให้มันพมเหมาะทําอย่างไงพอเหมาะต่อเราของเราไม่เท่าเขาของเราทําได้ ง, งี้เต็มแรงแต่ต้องเคร่งต้องตั้งตนอยู่ในความเราอย่างให้มันคานแย่งกันให้มันสอดคล้องกันต้องเป็นทุกขายาอัตตาลังประทังหติกุศลธรรมจึงเจริญยิง่งไม่ใช่ยถาสุขขัง ยะถาสุขังอกุศลจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่ายะถาสุขังมีคําว่าสุขังนี่แหละเป็นตัวหลักพยัญชนะยืนยันไม่ใช่ให้เป็นสุขังตัวอย่างนั้นยะถาสุขังมีคําขยายวยะา ถ, าาถาสุขังยะาสุขังสุขังตามอารมณ์ตนตามใจตัวเพราะฉะนั้นใจตัวที่ยังมีกิเลสยิ่งมีกิเลสมากมันยิ่งเข้าข้างกิเลสมากกิเลสมันยิ่งมีริดแรงแล้วเราบอกนี่พอดีของเราแล้วไม่ได้คนมีกิเลสมากต้องฝืนให้มากต้องสู้ให้นัก แน่นอนคุณก็จะต้องแบกหนักกว่าเขาแล้วเพราะคุณกิเลสมากนี่ก็ต้องทุกขายาอัตตาตั้งต้องตั้งตนอยู่ในความลําบากมากกว่าส่วนผู้ที่ท่านปฏิบัติเป็นโสดาสกิทาอนาคาไปแล้วท่านตั้งตนลาบากของท่านก็ง่ายสิท่านทุกข์ของท่านน้อยกิเลสมันตายมากแล้วมันเหลือน้อยน้อยอยนอยท่านก็ง่ายสิท่านตั้งตนไว้ในความลําบากของท่านง่ายเพราะรีดขึ้นกว่มากความสามารถท่านก็มากพลังท่านก็มากวพราะทานมีิมุตเยอะ ปีมุทันเยอะแล้วพลังทั้งก็มากั้งก็ง่ายา่ยิ่งกว่านักกาลังภายในแน่แค่นี้บางทีนักกาลังภายในแต่นักกาลังภายในหรือู้ที่ยังไม่มีขบวนท่ายังไม่มีวิทยายุทธ์ชั้นตน้ตนกกๆก็เก๊กังถูกแอกเงินถูกกรถูก ก, กระแทงเดี๋ยวก็อาเจียนเป็นปโลหิตออกมาอยู่บ่อยๆก็ธรรมดาแต่พุทธิมี ความสามารถมีวิทยายุทธคือกำลังภายในหรือว่าสิ่งที่สร้างทั้งขบวนท่าข้างนอกอกำลังภายในก็คือคุณธรรมทางเจโตเอทางปัญญาทางเจโตรวมหมดกำลังภายนอกก็คือกรรมกรรมทั้งหลายลีลาทั้งหลายองค์ประกอบทั้งหลายแล้วก็ทำให้ได้ดีชํานานแล้วก็ทำไปผู้ไดทาไปได้มากมีกำลังภายในมากมีขบวนท่าหรือกรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลได้มาก มันก็ง่ายก็ได้อาศัยง่ายทําง่ายสบายมันก็เป็นทุกขายะอีกคือทกขยะคือตัวเคร่งตัวเคร่งถึงแม้จะเป็นผู้ที่สูงแล้วเป็นโซดาสกิทาตเป็นถึงอนาคาแล้วเลือดเศษ็จลืออะไรที่จะทําอรหันต์ น, นั้นท่านก็ต้องเคร่งของท่านนั่นคือทุกขายะของท่านและเราจะไปเอาอย่างอนาคาทนะําะอย่าไปเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างท่านดูง่ายดูสบายนะ เรามันไม่ใช่ท่านนะอย่าหลงตัวหลงตนเรามันเสือปลาเรามันแค่จะตายน้อยเราไม่ใช่ช้างใหญนะ่อย่าไปทำเป็นช้างใหญ่หลงตัวเป็นช้างใหญ่เขานะ เพราะนั้นคําว่ายะถาสุขขังสุขาปฏิปทาสองคํานี่อัตมาพยายามจะอธิบายและเข้าใจมัชฌิมาและสัมมาให้ได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติไม่ได้หมายความอย่างตื้นที่เขาอธิบายว่าเออในฉันสัมมาแล้วเราเดินทางสายกลางโอ้โหเก๋เป็นบ้าเลยก็พูดกันเต็มบ้านตเต็มเมืองเราเดินทางสายกลางไปปฏิบัติอย่างอโศกนั่นพ่อโธเคร่งเกินไปบอกแล้วว่าเราเริ่มเป็นกระต่ายน้อย ต้องเคร่องอย่างเห็นเลยว่าโอ้โหบางทีนี่จะเฉยแข็งเลยทําอะไรมากไม่ได้มันเผลอง่ายมันสติตกมันสังวรระวังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเราเองเรายังไม่คล่องในสติปทานสียังไม่คล่องในสมปทานสีเรายังไม่ถึงอิทธิบาท4ีอิทธิบาท ส, าทสีนี่มันสบายถ้าอิทธิบาทสีแล้วเป็นสุขาปฏิปทาคือเป็นผู้ที่มีความยินดีแล้ว ไ, ไม่อึดไม่อัด นะเป็นฉันทะแล้วยินดีเพราะฉะนั้นผู้ใดกระทํำแล้วเกิดปัญญาเกิดเห็นผลนี่จะมีความยินดีมีแรงเพียรก็มีแรงอิทธิบาทสี่นี่บิริตมีฤทธิ์เพราะมันยินดีมันพอใจมันไม่ฝืนมันไม่ต้านนะมันเห็นดีมันยินดีมันมีไฟเพราะฉะนั้นจะเห็นได้พวกน้องใหม่มานี่ไฟแรงเพราะยินดีตัวฉันท่ามันสูงวิริยะนี่โอ้โหถึงไหนถึงกันมาเอาตายเอาเป็นเอาตายเพราะแก่วัดหน่อยแล้ะชักเอ มันไปยังไงแล้วล่ะไอเพียนหายไปไหนไฟมันมอดลงยังไงเอาใจใส่ไม่เอาใจไปใส่เหตุภพของตนเองอมีเฉโกมีตัวชักรูหลบเป็นปีกรูหลีกเป็นหางน่าชักจะไม่เอาฐานซะแล้วชักจะอย่างงี้ก็เบาว่างดีแล้วนี่ฐานอาศัยปัจจัยสี่ก็มีอยู่มีกินพอสมควรแล้วนี่ ประกอบการงานแล้วก็ทํางานของเราอยู่ก็ทําบ้างนอนบ้างพักบ้างหลบบ้างเลี่ยงบ้างเดี็กก็หมดวันหมดคืนไปนี่ไม่ได้ตั้งตนอยู่ในความลําบากแล้วไม่ได้เสริมกุศลไม่ได้เสริมศีลไม่ได้เจริญด้วยอธิศีลเป็นความเสื่อมในข้อที่สามไม่เจริญด้วยอธิศีลวัดก็ไม่ค่อยทําลงทําวัดฟังทำก็ไม่ค่อยฟังรู้แล้วหน้าได้แล้วด้วยนะเข้าหาพระเข้าหาหมู่ไม่ก็เข้าหาหมู่ไม่สังสรรค์หมู่ไม่เข้าหาสง์ ไม่ศรัทธาเรื่มไสพระแล้วเอยมันจะเทอะทายมันก็เถาะเถาะคาวา่านะอย่าว่าแต่เป็นนักบวช ด, ด้วยกันเลยแม้แต่คารวะก็ยังบอกเออพระกับพระเถาะวะก็อ้วอยู่มาก่อนนี่พระนี่รุนหลังอ้วนะมาที่หลังอ้วพระเนี่ยอ้วมาอยู่ก่อนแม้อ้วจะเป็นคารวาะก็ตามความเสื่อมพวกนี้มันเกิดได้นะไม่ฟังธรรมหรือไม่เจริญด้วยอธิศินเสร็จแล้วก็เพ่งโทษ ไม่ได้มากไปได้ความเลื่อมใสายหลักเพลงโทษแล้วไม่เลื่อมสแล้วพระผู้กลางผู้ใหญ่ผู้แก่พระผู้เฒ่าอะไรก็ใหม่ละหนักเข้ากับฟังทำเพลงโทษกันเลยบอกออไอนี่เทศอะไรก็ใหม่รู้นะพระเทศมากรฟังทำเพลงโทษหรือแม้แต่เพื่อนฝูงโดยกันพูดทำมากกว่าอ้วแน่นะมาเสื้อหมดละออกนอกก ล, ลู่องทางออกนอกาศาสนาไปหมดวันถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจละเอียดที่อาตมาพูดนี่มัน ป, นปนปนอยู่หลายคําหลายสูตร ที่เอามาพูดนี่มาพยายามขายายความให้มันสัมพันธ์กันให้ได้เมื่อเราปฏิบัติธรรมะยาให้มันเป็นยะถาสุ ข, ขังโคเมวิหรติอย่าปล่อยตนตามสบายต้องตั้งตนอยู่ในความลําบากตามฐานะของเราต้องลําบากขึ้นเรื่อยๆแหละแม้ที่สุดเป็นพระอรหันต์เจ้าก็ลําบากยิ่งเป็นพระโพธิสัตว์ยิ่งจะต้องมีน้ําหนักสูงกว่าพระอรหันต์ธรรมดา เพราะจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตฉันเถามีอิทธิบาทมากต้องมีฤทธิ์มากพระพระวรสพรโพธิสัตว์เนี่ยติ้ตั้งตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ต้องมีฤทธิ์ ม, มากกว่าอารหันต์เพราะจะต้องช่วยเหลือหรือขนสัตว์ช่วยเหลือสร้างสรรรับผิดชอบศาสนาอย่างพระอรหันต์ที่ไม่ตั้งจิตโพธิสัตว์นี่เป็นแต่เพียงฐานของศาสนาส่วนพระโพธิสัตว์นี่นอกจากเป็นฐานแล้วยังเป็นนักรบยังเป็นฐานกับฐานกองทัพฐานบันลังแล้ว ยังเป็นนักรบที่จะต้องพูดอย่างสำนวนโลกก็ยังจะเป็นนักรบที่จะต้องแผลอำนาจด้วยพระบริษัทเนี่ยต้องเป็นนักรบที่แผ่อำนาจด้วยส่วนเป็นพระอาหารหันต์นั้นเป็นนักรบที่อาศัยบัลลังก์เป็นกองทัพเป็นกองทัพหลวงส่วนพระบริษั ท, ท์นี่เป็นกองทัพหน้าลุยเป็นลักษณะอย่างนั้น เราต้องรู้ความแตกต่างของมันบ้างแต่ต้องมีทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะบริษัทไม่มีกองทัพไม่มีฐานะอาศัยไม่ได้ต้องมีฐานอาศัยก่อนอย่างพระอรหันต์นี่ถึงบอกว่าจะต้องมีเนื้อมีสาระไม่เช่นั้นก็จะไม่ได้เรื่องอะไรก็ตายลูกเดียวต้องมีทุนก่อนส่วนพระอรหันต์นั้นท่านไม่ไม่มุ่งจิตมุ่งใจอะไรมากมายนะักก็แน่นอนอริดแรงก็ต่างกันการริดแรงของพระอรหันต์กับริดแรงของพระบริษัทจึงมีริดแรงที่ต่างกันนะ คนเข้าใจรา ย, ายละเอียดพวกนี้ไม่ได้ก็ไปเข้าใจเฉยๆเป็นพระอาหารหันต์แค่พระอาหารหันต์ยังเข้าใจไม่ถูกเข้าใจเฉยๆเป็นพระอาหันที่จริงพระอาหารหันต์ไม่เฉยพระอาหารหันต์มีบุญกิริยาวัตถุมีความขนขวายมี ว, ยวมียววัจจะไม่มีความ น, อนอ้นอมน้อมมีการสร้างสรร์มีโลกานุกรรมปายะมีพระหุชนะหิตายะมีสภาพที่เรียกว่าไม่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วจริงๆมีความขนขวายตามฤตามตามแรงของท่าน พระอรหันต์บางองค์ท่านทำแรงนะท่านแทมทำแรงเท่าเท่าพระโพธิสัตว์แต่ท่านก็ตัดรอบของท่านว่าถึงท่านจะทำแรงอย่างเท่าพระบริษัทท่านก็ไม่ไม่ต อ, ไตอบไม่ตอบภพไม่ตอบภูมิแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วพระโพธิษัทนี่จะแรงเป็นเป็นน้ำหนักเป็นคุณธรรมของพระโพิษัตเลยส่วนพระอรหันต์บางองค์นั้นท่านทำแรงเท่าพระโพธิสัตว์แต่ท่านไม่ตอบภพก็เป็นเรื่องของท่านส่วนตัวบางองค์ไม่แรงเหมือนพระโพธิษัต อันนั้นก็เป็นธรรมดานะบางองค์ไม่แรงไม่มุ่งมาาไม่มุ่งไม้ไม่ถมน้ําหนักวิภวะตันหามากไม่ถมน้ําหนักวิภวะตันหาเท่าเทียมกันเท่านั้นเองแล้วพระอรหันตะ์เจ้าก็มีจริตไม่เหมือนกันจริตไม่เท่ากันได้นะทีนี้สุขขายะถาสุขขังกับสุขาาสขาปฏิปทาสุขขาปฏิปทาคือตัวมีอิทธิบาทตั้งที่ว่าแล้วมีชันทะ เราจะทําอย่างไรให้มีอิทธิบาทอยู่ตลอดเวลาเพราะอิทธิบาทเป็นตัวแสดงของสมณะเป็นเครื่องแสดงของสมณะเราจะชื่อว่าสมณะแม้กิเลสจะหมดแล้วหรือกิเลสยังไม่หมดก็ต้องมีเครื่องแสดงอันนั้นยิ่งกิเลสยังไม่หมดอาจจะประมาทได้หรือเจะต้องเพียรหนักที่ต้องเห็นแล้วโอ้โหองค์นี้เป็นสมณะแน่เลยเนี่ยแหมท่านมีความเพียรนะเนี่ยตั้งตนอยู่ในความลำบากสังวรระวงังสร้างสรรค์เดิมเนินมักแปดํา เ, เนินโพธิปัคีรีทําอย่างดี ผู้นี้ก็มีอาการที่น่าเลื่อมใสและอยู่ในฐานะที่ยังดูว่าท่านยังไม่แคล้วคล่องเท่าไรรอกท่านยังจะต้องภากเพียรดูคลุกคลั ก, ลกดูหนักๆเนอๆอะไรอยู่ก็เห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นยิ่งมีอิทธิบาทที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยิ่งเห็นได้ง่ายเลยว่าโอ้นี่มีความต่อสู้ภาคเพียรทีนี้พูดที่มีอิทธิบาทอันสมบูรณ์มีอิทธิบาทอันแคล้วคล่องได้แล้วมันก็ยิ่งดูคล่องแคล้วเหมือนคนชำนาญโอ้ ไม่ดูหนักดูหนาดูง่ายแต่เห็นเลยว่าลักษณะนี้ยินดีลักษณะนี้เพียนมีความเพียนอุตสาหะมุ่งมั่นเอาใจใส่แล้วก็มีวิมังษาพิจารณาไตรตรองรอบรู้อยู่ทีเดียวฉเฉลียวฉลาดเข้าคลองว่องไวมีลักษณะอิธิบาต ท, ที่เห็นเป็นเครื่องแสดงเลยเป็นสมณะที่มีอายุเป็นผู้มีอายุอายุหัก เป็นผู้มีอายุอยากได้อายุอยากเป็นผู้มีอายุมีอายุอายุวันณสุขภาลานี้อายุก็คือมีสิทธิ์ธิบายเป็นเครื่องแสดงไม่ได้หมายความว่ายังหายใจอยู่ยังกินข้าวเก่งอยู่ยังมีลาบยศมากๆอยู่คือผู้มีอายุยังมีชีวิตชีวายังโลคีสุขด้วยชีวิตชีวาเต็มไปด้วยความสุขแบบโลคีสุขอยู่คือผู้มีอายุไม่ใช่หรืยิ่งไปแปลว่าผู้มีอายุคือคนแก่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็แหมตื้นเขินจากผู้มีอายุคือคนแก่ ไม่ใช่นะผู้ยังมีอายุอยู่นี่คือยังผู้ยังมีชีวิตแต่ในตัวชีวิตนี่เป็นยังไงดินด็อกแดกนี่เป็นยังไงโอดินดกแดกอย่างเป็นคนที่มีความเบิกบานราเริงยินดีมีชันทะมีความเพียรความขยันอุตสาหะอดทนมีความเอาใจใส่เอาใจใส่ต่ออะไรไปเอาใจใส่ทําไมต่อกุศลอ้ยต่ออกุศลก็ต้องเอาใจใส่ต่อกุศลอกุศล น, น, นั่นน่ยมีแต่จะบอกให้คนอื่นเขาทิ้งเลิกละ กุศลนั้นเอาใจใส่สร้างสรรค์เป็นผู้ที่ยำกุศลให้ถึงพร้อมขนขวายนี่คือคนที่มีลักษณะของสุขาปฏิปทามันยินดีนะตัวยินดีนี่มันตัวไขตัวพอใจยินดีมันเป็นสุขนะยินดีเป็นสุขนะส่วนคุณจะวางสุขนั้นหรือเป็นสุขวูปุสมโมสุขนั่นนะเพราะไม่มีกิเลสนั่นนะคุณวางก็เป็นตัวของคุณเป็น สัพเพธมานาลังอภินิเวสายะจะเรียกว่าสุขก็โดยภาษาโวหารลำลองเท่านั้นเองถ้าคุณเข้าใจว่าไม่มีอัสาทะมันก็ไม่มีมันจะมีในความยินดีเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นอุปกิเลสมันเป็นปิติเป็นฉันทะอะไรก็ตามใจเถอะมีลักษณะที่จะเรียกโดยพระจันทนะมันก็มีความแตกต่างกันคือน้อยและมากต่างกันก็ได้ จะรู้อาการอย่างนั้นให้ถูกกันแล้วกันอาการของปิติอาการของชันทะอาการของอะไรอะไรความยินดีนี่มีตั้งภาษาความยินดีตั้งเยอะตั้งแยะแม้แต่ที่สุดเราแปลเป็นกิเลสด้วยคําคำว่ารติรตโตก็แปลว่ากิเลสด้วยซ้ไปแปลว่าความอยากหรือฉันทะความต้องการความยินดีรติก็เป็นความยินดีแล้วก็แปลว่าความต้องการด้วยความอยากความปรารถนาด้วยซ้ ก็ยังได้เป็นความยินดีถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรารู้ความหมายแล้วว่าเราเองเราไม่ได้เป็นยินดีมาเสพมายินดีมาใส่ให้ตัวเองเราก็อย่าไปยึดไปติดมันหรือว่าอย่าไปทําขนาดถ้าตัวเราเองทําขนาดความยินดีอย่างนี้ขนาดนี้เราทําได้เพราะฉะั้นคนที่มีภาวะซับซ้อนตีกลับจะทําความยินดีที่มากก็ได้โดยเราไม่หลงติดความยินดีนี่ เราเข้าใจเข้าใจเราเราจะปรุงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ปรุงได้แล้วเราก็วางเดี๋ยวนี้ก็วางได้ปรุงได้เร็ววางได้เร็วโดยที่เข้าใจจริงๆเลยว่าเราปรุงได้เร็วปรุงได้เร็วปรุงได้แรงแรงมันก็จะมีแรงปรุงได้แรงมันก็จะได้อาศัยแรงปรุงได้น้อยๆมันก็ได้อาศัยแรงน้อยๆอ่อนๆปรุงไม่ได้มากปรุงมากไปเดียวเราแย่อแน่นอนคุณยังอินทรีย์พละอ่อนก็ปรุงมากไม่ได้เพราะฉะนั้นวิสังขารจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีสังขารแปลว่าสังขารอย่างยิ่ง วิตัวเนี้ยคนใดที่จะไปปรุงสังขารอย่างนี้แล้วมันติดมันยึดเราสู้ไม่ได้อย่าพึ่งปรุงไม่ปรุงก็แปลว่าไม่ได้ไม่สังขาร น, นะอันนี้ไม่ได้คุณสังขารแล้วคุณแย่เราอย่าปรุงแต่แต่คนนี้จะปรุงได้ปรุงอย่างยิ่งขนาดนี้แหละมีความยิ่งมีอัธิมีความสามารถมีความเก่งปรุงอย่างนี้ก็ได้ปรุงโดยปรุงอาศัยเท่านั้นเอง ปรุงสร้างสรรค์ไม่ได้ปรุงเสพเราไม่ได้เสพในสังขารไม่ได้เสพในรสไม่ได้มีอัศทะเป็นวิสังขารเป็นปุญญาพิสังขารปรุงเพื่อให้มันเป็นการขัดเกลาให้เป็นการชําระล้างคนอื่นเป็นให้คนอื่นอาศัยส่วนเราเองนะั้นเราปรุงแล้วเราก็วางเราปรุงแล้วเราก็ไม่ได้แอบเสพรสเราปรุงแล้วเรารู้รสเหมือนกับแม่ครัวพ่อครัวเนี่ย มีปัญญามีปัญญาทํากับข้าวให้คนอื่นกินทํากับข้าวให้คนอื่นกินก็ชิมรสโอ้รสอย่างนี้ชื่อว่าอร่อยรสอย่างนี้รู้รสเข้าใจแล้ว่าอร่อยแต่ก็เฉยเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับถั่วกับงาสบายสบายแต่ปรุงอาหารอ่อยอ่อยให้เขากินรู้เลยว่ารสอย่างนี้คนอย่างนี้ติดถ้ารสอย่างนี้ให้คนฝรั่งกินอย่างรสอย่างนี้ให้ลาวกินรสอย่างนี้ให้จีนกิน รู้รสเลยปรุงอ๋อคนอย่างนี้ฐ า, านะอย่างนี้เหรอมีปุกรบประรัปุกรบประประณณันยุตาอ๋อคนอย่างนี้หรือหมู่กลุ่มอย่างนี้มีปริสันยุตาอ๋อปรุงอย่างนี้ให้เขาพวกนี้พวกหมู่ผีกระสือนี่ติดรถจั ด, จดๆก็ปรุงจัดให้เขาอ๋อพวกนี้พวกชาววัดอ๋อปรุงขนาดนี้ให้เขารู้ประมาณรู้รสรู้อะไรปรุงให้เขาแล้วก็ชิมรสรู้รสอย่างดีเลยว่าอย่างนี้อร่อยไม่อร่อยขนาดไหนปรุงรู้รสสัมผัสรสรู้เข้าใจ แต่ตัวเองไม่ได้เสพไม่ได้ติดเพราลุงให้เขากินแล้วก็มากินข้าวกระทั่วกระนาสบายสบายสบายแล้วพอใจแล้วสันโดษแล้วเป็นสุขแล้วไม่ต้องไปกินอย่างนั้นก็ได้แต่จะให้กินอย่างนั้นก็ได้นะเหมือนพระพุทธเจ้าจะนอนบรรจารณ์ก็ได้จะนอนดินก็ได้จะนอนพื้นดินก็ได้แต่เรื่องอะไรจะไปนอนบรรจารณ์เนี่ยมันเปลืองแล้วก็เราไม่เปลืองแล้วก็พอใจแล้วแล้วเราก็อยู่สุขแล้วเราก็สมบูรณ์แล้วพอแล้วไม่ต้องไปมีเฟ้อเฟ้ออย่างนั้นก็ได้ก็เป็นตัวอย่างอันดี ท่าเจ้าจึงนอนดินนอนพื้นไม่เป็นนอนบรรจธรรมผู้ที่กินได้อย่างดีอย่างสูงได้กินอย่างที่เรียกว่าไม่ปรุงก็ได้ปรุงก็ได้ก็กินอย่างไม่ปรุงก็ได้กินอย่างปรุงก็ได้ยังอาตมานี่ยกินอย่างทั้งปรุงทั้งไม่ปรุงแต่ก็ปรุงมากๆอาตมาก็ไม่ค่อยกินเป็นการทําให้ปรุงมากๆปรุงมาจัดๆนี้ไม่กินให้มากบางทีมาถามทวงเอาเหมือนกันนะไม่อุตส่าห์ปรุงมากินให้หรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่กินบางคนนี่ไม่ได้งอเลยก็ลองอากินเมื่อกั้น่ะ ไม่เห็นแหวงเลยอ่าก็กินน้อยๆหรือจะห่างพระไอ้พวกนี้มันเป็นหลายๆอย่างซับซ้อนอยู่นะอาะอาตมายกตัวอย่างพวกนี้ก็คงจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องหลอกก็ได้คนหลอกแอบเสพก็ได้เพราะฉะนั้นสังขารวิสังขารจึงไม่ใช่เรื่องตื่นเกินปุญญาพิสังขารพระเจ้านี่นนน้องใช้คำว่าอิอทธาพาิสังขารทีเดียวสังขารยังมีฤทธิ์อย่างเหลือชั้นทีเดียว มีผลสูงด้วยสั่งอย่างพวกพระอริยเจ้าเรเรียกแค่ว่าปุญญาพิสังขานกันแล้วกันเป็นการสังขารอย่างมีบุญอย่างยิ่งนะปุญญาพิสังขารสังขารปรุงเป็นประโยชน์เกื้อกูลไปแต่ท่านวิสังขารนะท่านสังขารอย่างวิท่านปรุงของท่านนั้นมันจะมีฤทธิ์ยิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเรายังไม่ได้เป็นพระอริยหรือยังไม่เก่งก็ต้องในถือในหลักที่ว่าเราต้องไม่สังขารถ้าสังขารอย่างนั้นเราลองสังขารไม่ได้เรายังไม่มีฤทธิ์ อ, อย่าว่าจะเป็นสังขารปรุงให้คนอื่นเขาได้ผลเลยก็เราเองปรุงเราก็ตายแล้วเราปรุงเข้าไปเราก็ถูกกลืนกินด้วยสังขารนี่มันกลืนกินเรากิเลสมันอ้วนพีขึ้นมาแล้วเราอย่าสังขารอันนี้ตัวใครตัวใครต้องรู้ให้ดีของตนเองอย่าหลอกตนเองให้ละเอียดละออแล้วเราจะเกิดโยนิโสมนสิการจะมีความละเอียดท่องแท้ท่องแท้กว่าจะปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาหรือปฏิบัติสัมมาสัมมาปฏิบัติ ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องลงตัวมันต้องเหมาะควรสมตัวว่าเนี่ยการงานนี้ก็เหมาะมุทุภูเตเราก็เหมาะจิตวิญญาณเราก็เหมาะนะเร็วไวเราได้ผลนะเราจะสัมผัสแววไ ว, ไวแคล้วคองรู้เท่าทันเร็วขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเขาปับ๊บผีมันกินเราไปก่อนเอาขนาดนี้เรารู้เท่าทันแล้วเราก็ดัดได้มีอํานาจแข็งแรงมีเจโตมีพลังพอจะสู้ได้ขนาดนี้มุทุภูเตก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ทํางานอย่างนี้มีสัมผัสแตะต้องด้วย รูปลดกลิ่นเสียงอย่างนี้มีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราทาได้เราก็เอาของเราเราทำได้แข็งกว่านี้เก่งกว่านี้มีพลังสูงกว่านี้มีพลังวิมุตมากกว่านี้ก็เพิ่มการสัมผัสแต่ต้องได้จัดจ้านยิ่งขึ้นกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่เหนือโลกที่มีกำลังวิมุตสูงกว่าจึงสามารถไปช่วยได้แม้แต่ในนรกอันลึกนรกอันหยาบ ก, กล้า เดินลุยอยู่ในในรกมีฤทธ์เหมือนเดินลุยทะลุภูเขาทะลุกำแพงได้เหมือนเดินอยู่ในที่ว่างสิ่งเหล่านั้นกระทบกระแทกกระเทือนอย่างไรก็พุทธะโลกาธรร ม, มหิจิตตังยัตสนากรรมปติโลกกระทำหยาบหยาบกกลานอย่างนั้นกระทบกระแทกกระเทือนอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวเป็นกลางแล้วนิ่งแล้ว ไม่เอียงไปข้างโน้นไม่เอียงไปข้างนี้ไม่เอียงไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้สดไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนแล้วไม่จุติอีกแล้วดับอมตะอยู่นี่แล้วไม่จุติอีกแล้วไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วพระอรหันต์เจ้าจึงไม่มีจุติอีกแล้วอรหัตผลใดก็ไม่จุติอีกแล้วไม่เคลื่อนแล้วนิ่งกลางเฉยว่างนิวตรอน ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นเนื้อไม่เป็นใต้ไม่เป็นตะวันออกไม่เป็นตะวันตกนี่มัชฌิ ม, มานี่สัมมานี่กลางไม่เข้าใจว่ากลางกลางนี่คือมรรคมรรคก็ประมาณให้พอตัวมรรคก็คือประมาณให้พอตัวและต้องเคร่งทุกขยอัตตานังอยู่ทุกขยอัตตานังกทงหติอยู่ตั้งต้นอยู่ในความลำบากอยู่ไม่ใช่มรรคคือกลางคือยถาสุขขังไม่ใช่ม่ใช่ยถาสุขขัง ทุกขณิโรธไม่ใช่ยะถาสุขังถ้ากลางนะทุกขณิโรธท่านดับทุกได้แล้วแต่ตั้งตนอยู่ในความลําบากตามควรบอกแล้วว่าก็ตามกรรมอะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปจะมีอาหารรัปริยติทุกจะมีนิพพัตทุกขจะมีสภาวะทุกอะไรก็อยู่อย่างนั้นนี่ยมันก็มีทุกอันจะต้องอาศัยมันอยู่มันยังไม่หมดขันห้ามันเป็นสัุปาทิเศสนิพานนะ มัเป็นสัุปะฏิเสธสันิพานคือมันนิพานยังเหลือขันหา้ามันก็ต้องมีร า, ายละเอียดอ น, นี้ไม่หลงผิดไม่ใช่ปไปหมายความว่ า, วาสัพปะฏิเสธสันิพานคือหมดกิเลสแล้วก็เออไมันจะยังไม่หมดกิเลสอนุปาฏิเสธสันิพานถึงจะหมดกิเลสไม่ใช่สัุปาฏิเสธสันิพานที่หมดกิเลสแล้วแต่อนุปาฏิเสธสันิพานคือยังไม่หมดขันหา้า อขอไสอปสาวปฏิเสธสันติภาพคือยังไม่หมดขันห้าหมดกิเลสแล้วถ้าอนุปาฏิเสธสันติพาพหมดทั้งขันห้าหมดทั้งกิเลสเนี่ยอาตมาก็เห็นคานแยงกับสันพุทธธาตุแล้วอาตมาก็ว่าอาจารย์โบราณอาจารย์ใหญ่ใเยอะท่านอธิบ า, ายเอาไว้นะมาขันแย่งท่านทําไมเนี่ว่าอาตมาอาตมามีหมูนะโบราณอาจารย์เป็นพวกเยอะแต่่พุทธธาตท่านกรว่าของท่านไปตีความอย่างนั้นเราก็ไม่ว่านะตีความอย่างนั้นเราก็เข้าใจท่านได้เรามีทำอันตกลงแล้ว อย่างที่ท่านว่านะก็ไม่เป็นไรควรจะมุ่งหมายเอาแค่นั้นก็เอาแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดเทียบโดยจบโดยจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะพอเราจะรู้ทุกอันละเอียดละออนะอย่างที่กล่าวนี้ในวันนี้อธิบายธรรมะหลายอย่างหลายสูตรหลายอันอามาซ้อนมาแทรกมาขยายกันหเห็นว่ามันสอดคล้องลงตัวมันไม่ค้านแย่งกันนะมันไม่ค้านแยง่งเพราะงั้นในฐานะที่ปฏิบัติมรตองแปดหรือสัมมาปฏิปทาโดยความหมายที่พูดกันเนี่ยอ่า พรายามปฏิบัติให้เป็นสายกลางเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆพระพุท ธ, ธจเจ้าตรัสรู้สายกลางนะและท่านใช้เวลานานับชาติก่อจะตรัสรู้สายกลางแม้คนทุกวันนี้ทํำไมมันเก่งนักมันรู้สายกลางแล้วแล้วจบแล้วด้วยนะโอ้เขาปฏิบัติสายกลางผมไม่เอาอย่างที่ท่านปฏิบัตินี่มันเคร่งเกินไปเห็นไหมเขามองมาว่าเคร่งเกินไปพวกเราบางคนรู้เลยว่าเคร่งอะไรเราย่อหย่อนเกินไปซะโดยซ้ำ เคร่งขี่หมูขี่มาอะไรกันใช่ไหมเรารู้ว่าเราหยอ่อนเราเหาะแยะเพราะฉะนั้นก็รู้ตัวเองว่าอย่าไปหลงตัวนะว่าเราต้องตั้งตนให้มันสอดคล้องตั้งตนอยู่ในความลำบากสําหรับเราที่มีมีมัดยังมีเหลือส่วนส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติเคร่งบอกว่ า, าต้องมีตัวเคร่งแต่แม้เคร่งเราก็ยินดีเพราะเรามีผลเหมือนเราเองเราไปเจอบ่อเพชรเจอบ่อเพชรเราก็โอ้โหเด็ดเหนื่อยนะ มันมีปิติยินดีเลี้ยงมันเป็นองค์ฌานอ้าวก็เคร่งงั้นเคร่งมีองค์ฌานมีองค์ฌานมีปิติปัสสตินะมีปิติมีสุขมีอุเบกขาไล่เข้าไปเป็นฌานที่สูงเรื่อยๆจนกระทั่งสูงอุเบกขาปันจิงจะเป็นกลางอุเบกขาก็คือตัวคําคําที่ซ่อนคําว่ากลางด้วยวางเฉยได้แข็งแรงมั่นคงอย่างที่อธิบายแล้วไม่ใช่ถีนังไม่ใช่มิตรทังนะไม่ใช่ กรด้างวางเฉยกระด้างไม่ใช่วางเฉยอยากจะอธิบายไปแล้วเร ว, วันนี้ไม่ขยายความอุเบกขาทินนะมิทะไม่ขยายความเป็นอุเบกขาเป็นฐานอาศัยเป็นอุเบกขาที่มีบริสุทธิ์ปริสุท ธ, ธาิาบริโยธาตามุทุกกรรมัญญาประพัสรามีองค์ธรรมที่บริสุทธิ์อยู่อุเบกขาบริสุทธิ์อยู่จะมาอาบมาพ่ อ, อยังไงก็ยังท่อ ง, งขาวพองอยู่อย่างเดิมนอกจากตัวบริสุทธิ์เป็นอย่างไร มีภาวะมาซับมาซ้อนอยู่ก็ยังพองผุดพองขาพองอยู่อย่างนั้นอะไรจะอาบจะพอกจะกระตุ้งกระแทกจะทํายังไงก็ยังไม่แปดไม่เปื้อนยิ่งกว่าน้ํากับใบบอลนะไม่ดูดไม่ซึมไม่พลักไม่ดูดเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าอุเบกขามุตทุคร่องแคล่วว่องไงสลัดออกอุบซุ่มเฉต ด, ด้วยไม่ได้แต่แค่สลัดนิสระณนะสมุดเฉต ด, ด้วยสลัดได้ว่องไวมุตุกรรมัญญา ทำงานได้อย่างสละสลวยด้วยไม่ใช่แต่แค่เหมาะควรกับการงานเท่านั้นการงานอันใดที่ท่านรู้แจง้งรู้จริงว่าท่านควรจะทําจะสร้างท่านก็สร้างสรงสรค์แข็งแรงนะอย่าไปปราบผีปราบมาในในรกไหนก็สบายอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขอสรุปให้เข้าใจมัชชิ ม, มาว่าเป็นผลสัมมาปฏิปทานนั้นเป็นตัวปฏิบัติที่จะต้องมีตั้งแต่สมาธิิยังไม่เป็นสัมมาสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นยังไม่เกิดสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตย์ยังไม่ใช่ผล จนเป็นสัมมายานะสัมมาวิมุตเป็นผลถ้าเรียกว่าสัมมาทั้งหมดนะสัมมาบริบูรณ์เป็นผลทั้งหมดตั้งแต่ส ม, มาทิฏฐิสัมมาอะไรไปทั้งหมดนั้นเป็นผลสมบูรณ์มันต้องรู้ตัวรู้ตนอยู่ในฐานะสัมมาของแต่ละฐานมัททิมมาต้องตนอยู่ในความลำบากจนกว่าคุณจะง่ายที่สุดมันก็ไม่ลำบากหรือมันลำบากน้อยที่สุด เอาละวันนี้ก็เลยเวลาไปหลายนาทีแล้วอพอ